วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้ากสบเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันปิยมหาราชศรัทธาญาติโยมเลยไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างที่จะมาวัด เพื่อมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสารณะที่พึ่งทางใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งทางใจได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับบุคคลต่างๆไปกับสิ่งต่างๆมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเท่านั้นที่จะ ป้องกันใจไม่ให้ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายใจกับเสียงต่างๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้ คืออะไรก็คือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้กันที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ได้จากพวกเราไปสอง0ันห้าอกว่าปีมาแล้วตัวพระพุทธเจ้าเองก็เป็นพระพุทธพระพุทธพระพุทธภายนอกพระธรรมคำสอน ก็คือทำซสอนต่างๆที่มีบันทึกไว้ในสื่อต่างๆอันนี้ก็เป็นพระธรรมภายนอกพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระสงฆ์ภายนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ ยังไม่สามารถที่จะมาปกป้องรักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้เรามีพระพุทธรูปที่บ้านกันเรามีหนังสือธรรมะที่บ้านกันเรามีรูปของพระอริยสงสาวกที่บ้านกันแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในบ้านเหล่านั้น ยังไม่สามารถที่จะมาปกป้องรักษาจิตใจของพวกเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องเอาเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ภายนอกนี้ให้เอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราถึงจะได้เป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างแท้จริง ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจแล้วใจของเรานี้จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาได้ป้องกันความทุกข์ต่างๆที่ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจเปรียบเทียบเหมือนกับยาหรืออาหาร ที่เราใช้เป็นที่พึ่งของทางร่างกายเวลาร่างกายหิวเราก็ต้องรับประทานอาหารเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรับประทานยาถ้าอาหารอยู่ข้างนอกร่างกายยาอยู่ข้างนอกร่างกายยาและอาหารก็จะไม่สามารถที่จะ ทำให้ร่างกายหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้หายจากความหิวได้ถ้าเราอยากจะให้ร่างกายของเราหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเวลาที่เราไม่สบายเราก็ต้องรับประทานยายาถ้ายังอยู่ภายนอกร่างกายจะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ อาหารที่อยู่นอกร่างกายก็จะไม่สามารถให้ความอิ่มแก่ร่างกายได้เราต้องรับประทานยาเวลาที่เราไม่สบายเราต้องรับประทานอาหารเวลาที่เราหิวอาหารและยาเมื่อได้เข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็จะสามารถรักษาร่างกายของเราให้หายจากความทุกข์ ให้หายจากความหิวได้นี่ก็คือลักษณะเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เปรียบเป็นเหมือนยาเปรียบเหมือนอาหารของใจถ้าใจอยากจะรักษาความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆความหิวของใจใจก็ต้องรับประทานายาของใจรับประทานอาหารของใจ ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจได้เราก็ต้องเอาเข้ามาด้วยการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้คืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรศึกษาแล้วเราก็ปฏิบัติเพราะการศึกษา เพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจได้ต้องศึกษาวิธีที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจเมื่อรู้จักวิธีเราก็ปฏิบัติตามวิธีเหล่านั้นพอเราปฏิบัติแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏขึ้นมา ในรูปแบบของการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนั่นเองธรรมต่างๆตอนนี้ที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่ได้อยู่ภายในใจของพวกเรามันจึงยังไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่รักษาป ก, ป, กป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หิวโหวยได้เราต้อง ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นท่านเป็นใครท่านสั่งสอนให้เราปฏิบัติอะไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้มีศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ในคำสั่งคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเพราะว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกนี้ออกมาจากการปฏิบัติออกมาจากการพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกแล้วว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้ ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้รับผลท่านเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์แล้วเหมือนกับได้พิสูจน์ยาแล้วได้พิสูจน์อาหารแล้วว่าถ้าเวลาไ ม, ม่ไม่มีความสบายใจก็ให้รับประทานยาชนิดนี้รับประทานยาแล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปเวลามีความหิว ก็ให้รับประทานอาหารชนิดนี้พอรับประทานอาหารชนิดนี้แล้วก็ความหิวที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปนี่คือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระอริยสงสาวกของพวกเราท่านเป็นผู้ที่ได้ทดสอบยาและอาหารที่จะมารักษาใจของพวกเรา ให้หายจากความทุกข์ให้หายจากความหิวโหวยได้ท่านได้พิสูจน์มาแล้วถ้าเป็นยาก็เหมือนได้รับการรับรองมาตรฐานของจากองค์กรของการดูแลยาแล้วว่าว่ายานี้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ อาหารนี่เป็นอาหารที่มีคุณภาพรับประทานแล้วจะให้ความอิ่มแก่ร่างกายและรักษาปกป้องร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้นี่คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทำไมเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ ศึกษาได้ปฏิบัติวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดความหิวความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราในที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าในใจของพระอริยะสงสาวกให้หายไปจนหมดสิ้นแล้วใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอริยสงสาวกนี้ ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ในใจเลยไม่มีความหิวโหยมิดเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มอยู่ตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้ค้นพบวิธีที่จะทําให้ใจนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มตลอดเวลาถ้าเรา รู้ว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้พิสูจน์จนเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าวิธีการกระทาที่ได้ทรงกระทานี้เป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขตรา จ, จาาความทุกข์กว่าจ่าความหิว ถ้าเราน้อมเอาวิธีการปฏิบัติที่ท่านได้เอามาสั่งมาสอนนี้ไปปฏิบัติเราก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆกําจัดความหิวโหวยต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ทําให้ใจของเรามีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขมีแต่ความพอตลอดเวลา นี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราต้องศึกษากันเพราะเอเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้เชื่อเราจะได้มีความมั่นใจว่าเราจะไม่ถูกหลอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอรียสงสาวบกนี้ท่านได้พูดตามความเป็นจริง จากการที่ท่านได้ปฏิบัติมาท่านสิ่งใดที่ท่านสอนเป็นสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้พิสูจน์มาแล้วว่าการกระทาเหล่านี้จะทำให้ใจนั้นมีความสุขจะทำให้ใจนั้นปราศจากความทุกข์พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้มีความเชื่อมั่นเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทกำลังใจกำลังกายให้แก่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระอริยสงสาวกพอเราได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความมั่นใจร้อเปอร์เซ็นเราก็จะได้รับผลปรากฏขึ้นมาตามลำดับ ผลที่ปรากฏนี้ก็คือทําขั้นต่างๆเช่นทําขั้นต้นทําแต่ละขั้นที่เราปฏิบัตินี้มันจะแสดงผลให้เราได้รับทราบทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติก็มีอยู่3าสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่1ท่านก็สอนให้เราทําทานทําบุญทําทานขั้นที่สองก็สอนให้เรารักษาศีล ขั้นที่สามก็ให้เราภาวนาภาวนานี้ก็มีแบ่งเป็นสองขั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราปฏิบัติทำเหล่านี้แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นทำแล้วจิตใจของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้น มีความอิ่ ม, มเพิ่มขึ้นความหิวโหวยจะมีลดน้อยลงไปความทุกข์ความวุ่นวายใจจะมีน้อยลงไปตามลำดับนี่คือธรรมต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจเมื่อธรรมที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจนี้เหมือนกับธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้มันก็จะทาให้เรามีความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนทําให้เรานีา้มีความยินดีมีฉันทะมีวิริยะที่จะน้อมนําเอาธรรมคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของพวกเราเพราะยิ่งได้สร้างธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้าง ปรากฏขึ้นมาในใจมากน้อยเพียงไรความสุขความสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับความทุกข์ความหิวโหยความวุ่นวายใจต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลาดับจนไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีแต่ความสุขเต็มเปีเป่ยมอยู่ภายในใจตลอดเวลามีแต่ความอิ่มความพอ เต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจตลอดเวลานี่คือวิธีของการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้เอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราด้วยการศึกษาคําสอนศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวง ศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกเพื่อเราจะได้มีแบบฉบับของการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติตามความรู้สึกของเราก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะใจของเรานั้นยังเป็นใจที่ มีอคติครอบงำอยู่มีกิเลสตัณหาความรักความชังความกลัวความหลงครอบงำอยู่ทำให้เราอาจจะปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกท่านได้ปฏิบัติกันแต่ถ้าเราได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกเวลาที่เราปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติออกนอกรูนอกทางเราก็จะได้รู้ทันทีเพราะว่าเรามีแบบฉบับมีตัวอย่างมีมาตรฐานของการปฏิบัติไว้เป็นเครื่องวัดนั่นเองนี่คือความสำคัญของการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอริยสงสาวกศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกเพื่อเราจะได้รู้มาตรฐานของการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นอย่างไรเ <Yeah. S 1> มื่อรู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามแนววิธีที่ถูกต้อง <Yeah. S 1> พอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ที่ปฏิบัติกันแล้วผลยังไม่ปรากฏขึ้นมา mm. ก็เพราะว่าปฏิบัติกันไม่ถูกต้องนั่นเองหรือปฏิบัติไม่เต็มที่อาจจะปฏิบัติถูกต้องแต่ปฏิบัติน้อยยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาผลก็เลยยังไม่เกิดหรือปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติผิด ผลก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาศึกษาพระพุทธธรรมประสงค์เพื่อเราจะได้รู้จากวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติแบบสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติอย่างไรและสิ่งที่จะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างนี่คือขั้นแรกของการที่จะ น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นสอนให้ทาทานสอนให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าเพิ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากจนเกินไปพิ่งเฉพาะไว้สาหรับเลี้ยงดูร่างกาย เท่านั้นเพราะว่าเรายัางต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมอยู่ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายไปเราก็จะไม่สามารถที่จะศึกษาที่จะ ป, ปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่ก็คือหน้าที่ของเงินทองลึกของปัจจัยสี่ เงินทองที่นี้พูดที่พูดในที่นี้ก็หมายถึงเงินทองไว้สําหรับปัจจัยสี่ไว้สําหรับหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยมาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายนั้นอยู่อย่างปกติสุขมีกําลังวังชา ที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้นอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ควรที่จะเอาเงินไปใช้ในเรื่องอย่างอื่นคือถ้าเราเอาเงินทองไปใช้เพื่อดับความทุกข์ดับความหิวโหวยของจิตใจนี้จะไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับได้อย่างแท้จริงเป็นเพียงแต่เป็นการเอาไปกลบ ความหิวความทุกข์ใจไว้ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวความทุกข์ใจความหิวโหยของใจก็จะปรากฏขึ้นมาอีกอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ในขณะนี้วันธรรมดาเราก็ไปทำมาหากินหาเงินหาทองกันพอได้เงินทองมาแล้วส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไว้ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายอีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาใช้กับการ หาความสุขดับความทุกข์ทางจิตใจเราก็ไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวซื้อของกันไปดูไปฟังไปทำอะไรที่จะทำให้ใจเราเกิดความสุขที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราหายไปแต่มันเป็นการหายชั่วคราวความทุกข์หายไปชั่วคราวความสุขมาอยู่ได้ชั่วคราว เดี๋ยวพออาทิตย์หน้าพอเรากลับไปทำงานสักระยะหนึ่งความหิวความทุกข์ในใจก็โผล่ขึ้นมาอีกพอถึงวันหยุดทำงานเราก็ไปหาความสุขไปดับความทุกข์ทางใจด้วยการใช้เงินทองอีกเราก็ทำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆทำมาเท่าไหร่ความทุกข์ใจความหิวใจก็ยังไม่หายไป เพราะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจสร้างความสุขใจสร้างความอิ่มใจให้ด้วยการใช้เงินทองถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจสร้างความอิ่มใจให้กับความทุกข์ใจด้วยการใช้เงินทองก็เอาไปทําบุญเอาไปซื้อบุญซื้อบุญดีกว่าซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจ เพราะบุญนี้จะให้ใจเกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาและจะทําให้ความหิวความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆนั้นเบาบางลงไปและหมดไปได้นี่คือการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองถ้าเรายังใช้เงินทองหาความสุขดับความทุกข์อยู่เราต้องเอามา ใช้ด้วยวิธีทาบุญแล้วความสุขจะอยู่กับใจเราไปนานความทุกข์ที่เรามีมันก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันจะหมดไปถ้าเราเลิกใช้เงินไปทำเอาเงินนี้มาทำบุญแทนเวลาทำบุญใจจะเกิดความสุขเกิดความอิ่ม เกิดความพอความหิวความอยากไปเที่ยวความหิวความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะหายไปนี่คือถ้าเรายัางใช้เงินทองในการดับความทุกข์ใจหาความสุขให้กับใจอยู่เราต้องใช้เงินทองด้วยการเอาไปทําบุญทําทานเพราะเราไม่มีเงินทองที่จะทําบุญทําทาน เราก็หยุดการทำบุญทาทานได้แล้วเราก็ไปเอาปฏิบัติธรรมขั้นที่ที่สองคือขั้นรักษาศีลด้วยการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยยี่บเจ็ดตามกำลังของเราถ้าเราหยุดหาเงินหาทอง เราจะรู้สึกว่าการรักษาศีนี้มันจะไม่ยากเลยเพราะการรักษาศีลยากเพราะว่าเราอยากจะได้ไดข้าวของเงินทองมากๆง่ายๆเร็วๆเราก็มักจะต้องทำบาปกันเราถึงจะทำได้แต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากแล้ว หาเงินหาทองพอสําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราก็ไม่ต้องหามากเราก็ไม่ต้องไปทําบาปเราสามารถทําหากินแบบสบายๆเพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองมากเงินทองที่เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้ไม่มากเหมือนกับเงินทองที่เอามาใช้ดับความทุกข์ดับความทุกข์ค ว, กความไม่สบายใจของใจ ด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆนี่คือถ้าถ้าเราอยากที่จะก้าวสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นเราต้องหาวิธีหยุดการใช้เงินทองหยุดหาเงินหาทองเพื่อเราจะได้มีเวลาที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้น ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่หรือศีลและภาวนาคือการไปบวชนั่นเองสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติแบบครบถ้วนบริบูรณ์ปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อยนี้ต้องปฏิบัติในรูปแบบของนักบวชถึงจะสามารถปฏิบัติได้เต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโน ก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อยถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนเต็มร้อยไปโรงเรียนเป็นนักเรียนอาชีพอย่าเป็นนักเรียนสมัครเล่นถ้าเป็นนักเรียนสมัครเล่นนี้จะเรียนไม่จบต้องเป็นนักเรียนอาชีพมีอาชีพไปเรียนหนังสือตอนที่เราเป็นเด็กนี่เรามีอาชีพเรียนหนังสือกันเราไปโรงเรียนทุกวันยกเว้นวันหยุด วันเสาร์วันอาทิตย์เราเข้าห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนเปิดเรียนจนถึงเวลาเลิกเรียนเราเรียนกันอย่างเต็มที่เราจึงสามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลําดับจนเรียนจบระดับปริญญาได้ก็เพราะว่าเราเป็นนักเรียนมืออาชีพนั่นเองยันใดการศึกษาการปฏิบัติธรรมที่จะทําให้เราได้รับมรรคผลนิพพานได้รับธรรม ขั้นต่างๆจำเป็นจะต้องเป็นการศึกษาการปฏิบัติแบบมืออาชีพเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นหรือเป็นงานอดิเรกทำในเฉพาะเวลาว่างเวลาที่เราว่างจากการทำงานทำการว่างจากการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะมีเวลาน้อยมาก เช่นอาจจะมีวันหนึ่งก็อาจจะก่อนนอนอาจจะมีเวลานั่งสมาธิกันสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นชั่วโมงเดินขึ้นมาก็นั่งสมาธิกันสิบนาทียี่สิบนาทีศีลก็รักษากันแบบขดัดขาดเกินเกินเพราะเวลาบางครัง้งบางคราวเวลาอยากจะได้อะไรง่ายๆเร็วๆก็อาจจะต้องทำผิดศีลกันการปฏิบัติแบบ มือสมัครเล่นมันก็จะไม่ได้ผลเป็นเกาบเป็นก ร, รม่มได้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับ อ, อาหารตัวอย่างหรือเครื่องดื่มตัวอย่างเป็นเป็นปริมาณที่น้อยมากพอให้เราได้สัมผัสเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขอย่างเต็มที่การจะปฏิบัติ ทำเพื่อให้ทำเป็นที่พึ่งของใจได้อย่างเต็มที่นั้นจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติในรูปแบบของมืออาชีพคือปฏิบัติอย่างเต็มที่ต้องมีเวลาต้องเปลี่ยนอาชีพถ้าเราตอนนี้มีอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าเราอยากที่จะมีธรรมะมาเป็นที่พึ่งของใจเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนอาชีพ เป็อาชีพจากหมอจากพยาบาลจากพ่อค้าแม่ค้ามาเป็นนักบวชนักปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการดําเนินของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นท่านก็มีอาชีพเป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาโอรสเป็นพ่อค้าแม่ค้า แต่พอได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมที่เข้าไปสู่ใจว่านำเอาความล่มเย็นเป็นสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้แก่ใจได้ก็เลยเห็นความสำคัญของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมแบบมืออาชีพท่านเหล่านั้นก็เลยสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกัน เปลี่ยนอาชีพกันนี่คือการเปลี่ยนอาชีพนี่ก็คือการทําทานแบบเต็มร้อยนั่นเองมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองอะไรก็สละให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็ไปบวชไปอยู่แบบนัก บ, บวชพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกจากพระราชวังไปบรรดาภาษาวกต่างๆท่านก็ออกจากบ้านจากเรือนไป แล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันต่อไปขั้นต้นต้องทําทานก่อนต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก่อนพอทําทานได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการทําบุญทําทานอีกต่อไปเวลาเป็นนักบวชแล้วหน้าที่ของนักบวชก็คือการรักษาศีลการภาวนา สมถะภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิวิปัสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะทมเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้การบรรลุทำขั้นต่างๆปรากฏขึ้นมาการนำเอาทมขั้นต่างๆเข้ามาสู่ใจนั่นเองต้องเข้ามาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญา แล้วก็ต้องปฏิบัติแบบเต็มร้อยเต็มที่ปฏิบัติแบบมืออาชีพถึงจะเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนนั่นเองพอเราได้ออกจากเรือนได้เปลี่ยนอาชีพแล้วมาเป็นนักบวชมาเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถเจริญเราจะสามารถรักษาศีลได้ตลอดเวลาเพราะเราจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําบาปเลย เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนี้มีน้อยมากคืออาหารที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่ที่พทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติใช้หลักมักน้อยสันโดษคือเอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเอาพออยู่ได้ก็พอเศรษฐกิจเพียงพอพอให้มีอยู่กินได้ไม่เดือดร้อนก็พอ เมื่อมากน้อยสันโดษมันก็จะทำให้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทำบาปการรักษาศีลก็จะรักษาได้อย่างง่ายดาย น, นี่คือเรื่องของการเป็นนักบวชต้องมีความมากน้อยสันโดษที่จะทำให้สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา วันนี้คิดว่ามีปัญหาเทวดามาเชิญให้ญาติโยมขยับขยายที่อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็หาที่ที่ล่มหลบฝนกันข้างบนศาลานี้ก็มีศาลาด้านหลังก็มีที่พอจะหลบฝนได้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่กับธรรมชาติ ต้องปรับตัวไปกับธรรมชาติฝนเข้ามาเราก็ต้องเปลี่ยนที่เข้าที่ร่มกันอ่าฝนทําท่าจะหยุดอีกแเปล่า <c oughs> ธรรมชาติไม่มีอะไรแน่นอนอ่าจะนั่งที่เก่าต่อก็ได้มันฝนหยุดแล้วเดี๋ยวก็จะขอสรุปธรรมกะกัละกันเพราะว่า เดี๋ยวไม่ทราบจะตกเองหรือเปล่าสรุปเพื่อที่ให้ญาติโยมจะได้รับศีลรับรับพรจะได้ถวายข้าวของต่อไปสรุปก็คือถ้าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เปลี่ยนอาชีพที่เราเคยเป็นมาเป็นอาชีพนักปฏิบัตินักบวชได้เราก็จะสามารถเป็นนักปฏิบัติแบบสุ ป, ปฏิปันโนได้ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนอาชีพเรายัง มีอาชีพยอย่างอื่นแล้วเรามาปฏิบัติทำเป็นแบบมือสมัครเล่นอย่างนี้เรายังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนนี้ต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพดูพระอริยสงสาวกที่เรากราไวไหวบูชากันถ้าไม่มีอาชีพอื่นท่านไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลไได้เป็นไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้า ท่านมีอาชีพยอย่างเดียวคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอท่านได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่มรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีก็ปรากฏขึ้นมาตามลำดับบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระสกิดาคามีบรรลุเป็นพระอนาคามีบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาตามลำดับอย่างง่ายดายและรวดเร็ว นี่แหละคือวิธีการที่จะทำให้เราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราได้เราต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพต้องเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติเต็มเต็มร้อยถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนมืออาชีพนักศึกษาอาชีพมืออาชีพ ถ้าเป็นนักศึกษาแบบมีอาชีพเบื่นก็จะเรียนไม่จบหรือจบช้านี่คือเรื่องของการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาเป็นที่พึ่งของใจมาปกป้องรักษาใจให้คล้วคลาดจากความทุกข์ต่างๆให้มีความสุขความสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกน้อมวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์น้อมเอาคำสั่งคำสอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้ามาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามที่พทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระอริยสงฆ์ได้ได้ปฏิบัติกันแล้วมรรคผลนิพพานธรรมะ ขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจนี่คือการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจด้วยการปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราเราจะมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปรากฏขึ้นมาภายในใจนี่คือธรรมต่างๆที่จะทำให้ใจนั้นก้าวเข้าก้าวสู่ความสงบ ก้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้เราอยู่อย่างแคล้วคาดปลอดภัยอยู่อย่างมีความล่มเย็นเป็นสุขเราก็ต้องหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกเมื่อได้ศึกษาแล้วเราก็เอานำไปปฏิบัต ขั้นต้นเราอาจจะปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นไปก่อนเพราะเรายังไม่มีกําลังที่จะไปปฏิบัติแบบเต็มเต็มร้อยได้เราก็ปฏิบัติไปในในลักษณะของมือสมัครเล่นไปก่อนวันหยุดทํางานวันที่เราว่างเราก็มาปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติกันบ่อยขึ้นมากขึ้นผลก็จะปรากฏขึ้นมามากขึ้น แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปได้จนในที่สุดเราก็จะพร้อมต่อการที่จะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพของนักบวชพอเรามาเป็นนักบวชมาเป็น น, นักปฏิบัติมืออาชีพแล้วเราก็จะสามารถรับผลต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้จึงขอให้ท่านจงนำเอา ธรรมะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้ให้เอาเข้าสู่ใจด้วยการหมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมมันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเลิศอันประเสริฐนี้ก็จะเข้ามาสู่ในใจของพวกเรามาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่งของใจมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไป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 อิติตังปะฏิตังตุมหังคิปะเมวะสามิตเจตุสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยทามณิโชติราโสยทาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพารโควินาสตุ มาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัานติอายุวันโอสุขังภาลางลำดับต่อไปก็เป็น ช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ถามได้ถ้าต้องการถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาจะมีไมโครโฟนให้ถามถ้าไม่อยากจะขึ้นมาเขียนใส่กระดาษส่งขึ้นมาก็ได้ทางบ้านตอนนี้มาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา3ามร o อยเก้ายูวิทยุออนไลน์29 รับฟังข้างบนเขาหนึ่งร้อยสามสิบสี่คนรวมทั้งหมดหกร้อยสามสิบหกครับถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยถ้าใครอยากถามยกยกมือขึ้นเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปให้ช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะไมโครโฟนเพราะมันแบกลาบนุสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ ะ, ะมีคำถามอยู่ตอนนี้ เออเด็กมาเลี้ยงไว้คนนนะเจ้าคะอายุ25ปีแล้วแต่เขาค่าอนข้างดื้อและพูดอะไรก็ไม่ฟังก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะวางจิตวางใจอย่างไรที่ไม่ให้เป็นทุกข์กับเขาเจ้าคะ่ะก็อยอมรับสภาพความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาตินิสัยเขาเป็นอย่างนี้เราก็สอนแล้วเราก็บอกแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่าเขาเป็นส้มเนี่ยเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วย ถ้าอยากให้เป็นกล้วยเราก็จะไม่เราก็จะเสียใจไม่สบายใจเพราะก็เป็นส้มนันเขาเป็นส้มก็ปล่อยให้เขาเป็นส้มไปแล้วเราก็จะไม่เสียใจส้มก็ดีส้มมันก็มีน้ํามีอะไรคนเรามันจะดือ้อมันก็ต้องมีอะไรดีบ้างหรอที่ความอยากของเราเนี่ยมันทําให้เราไม่สบายใจอยากเกินความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาที่เขาทามา มันเป็นนิสัยสันดานที่ติดมาเราก็มีหน้าที่สอนมีมีิธีหน้าที่บอกก็บอกไปเขาเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองได้ก็เป็นบุญของเขาถ้าเ็ายังเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปล่อยไปความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากของเราเมื่ออยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่า ก็มันที่ไม่ได้ดังใจอ่ะกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมให้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเราก็จะไม่ทุกกับเขาท่านอาจารย์คขอให้สักนิดหนึ่งคะ่ะสมมติว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยแต่เขาใช้ค่าใช้จ่ายเขาสุรุยสุร่ายแต่ความที่เราเป็นแม่เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราจะหาทางออกอย่างไรดีคะอ๋อเราก็ต้องมีเหตุผลในการให้เงินทองเขาสิ เงินทองมีไว้สําหรับใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์เช่นถ้าเขาไปโรงเรียนนี่ก็ต้องมีค่ารถค่าอะไรก็ให้เขาไปแต่อย่าให้เงินทองให้เขาไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างต่เรา ม, มาีเราเป็นคนให้นี่นะเราจะให้มากให้น้อยมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเขาจะขอถ้าเราไม่ให้เขาก็จะเอาไม่ได้ เราต้องมีความหนักแน่นในเหตุผลอย่าใจอ่อนพอใจอ่อนเขาขอก็ให้เขาเขาก็เลยเสียนิสัยใช้เงินแบบสูรุ่ยสุร่ายสอนเขาสิว่าเงินทองนี้หายากกว่าจะหามาได้สักบาทหนึ่งต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต่อไปนี้ถ้าอยากจอาได้เงินทองที่เอาไปใช้แบบไม่จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างก่อน ทำงานหรือทำอะไรล้างถ้วยล้างชามกวาดบ้านถูบ้านมาก่อนให้เขาเห็นคุณค่าของเงินทองว่ามันเกิดจากการทํางานทําการถึงจะได้เงินทองมาอายุ25เหล่านะเจ้าคะอะก็ทําไงได้ลอกปล่อยเข้ามาอย่างนี้เองจริงๆแล้วโยวไม่ได้ปล่อยเลยค่ะก็ทําหน้าที่งานก็คือเป็นพยาบาล แล้วก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยเล ย, เลยให้สอนมาทุกอย่างยกทั้งยกตัวอย่างของสมเด็จย่าให้ฟังหาเทปให้ฟังพามาวัดมาอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้าย ก, ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเจ้าค่ะ ก, ก็ต้องทำใจแล้วก็<จ>ต้องมีความหนักแน่นของเงินใช้แบบไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ควรให้ปล่อยเขาไปหาเองบ้างโตแล้วอายุ 25, ้าเรียนจบแล้วทางานทาการได้แล้ว ก็ทําแล้วค่ะแต่เงินไม่พอใช้เพียงแต่ว่าเยมก็กลัวว่าเขาจะไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอก็ช่วยไม่ได้ให้เขาเงินไปก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมให้เขาสนับสนุนให้เขาใช้เงินแบบซูรุยซูร่ามันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเราต้องใช้มาตรการห้ามเขาส่วนเขาจะไปแหกข้อไปทําเรื่องที่เสียหายก็ตัวเขาเป็นคนรับผิดชอบเองกลับมาหาตัวโยมสิค่ะ ไม่หรอกเขาติดคุกเราไม่ได้ติดกับเขาหรอกไอ้เขาติดคุกไปก็จะได้เนี่ยมีพ่อแม่คนหนึ่งก็มีลรคปัญหาแบบเนี้ยตอนนี้ไปติดคุกเพราะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะอยากจะออกมาจากคุกอยากจะมาบวชมาอะไรเลยเนี่ยคนเราถ้ามันไม่ถูกลงโทษบ้างมันก็จะไม่มีจิตสํานึกในการประพฤติของตนเออเขาเบียเบียงทำเบียงเบนทางเพศด้วยเจ้าค่ะก็เรื่องของเขาแหละเขาจะทําอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาเขาโตแล้ว ก็รู้ผิดถูกดีชั่วแล้วก็รู้ผลที่จะตามมาว่าใครจะเป็นผู้รับผลเหล่านั้น เ, เราเราช่วยเขาไม่ได้หรอก <Okay. S 1> เราช่วยได้ก็บอกทางนั่นี้บอกทางที่ถูกที่ควรที่ดีเราก็พยายามสนับสนุนให้เขาไปในทางนั้นแต่ถ้าเขาไม่ไปเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้จะไปสนับสนุนให้เขาไปในทางที่ไม่ดีก็ยิ่งยิ่งยิ่งแย่ใหญ่ แล้วต้องหนักแน่นจิตใจต้องให้มันติดคุกบ้างให้มันจับถูกลงโทษบ้างมันถึงจะได้เห็นเห็นความสำคัญของการประพฤ่ว่าประพฤติดีแล้วจะได้อะไรประพฤติไม่ดีแล้วจะได้อะไรอ่ต่อไปคำถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะจากคุณสิทธิในพระเต้ปิโดกล่าวว่า ถวายทานแก่พระอาหารหันต์หนึ่งร้อยครั้งผลบุญยังได้น้อยกว่าถวายทานแด่พระประคุตเจ้าแม้เพียงครั้งเดียวอันนี้เป็นความจริงไหมครับคือการถวายทานเนี่มันมีประโยชน์สองสองส่วนด้วยกันประโยชน์ที่เกิดจากการบริจากการเสียสละข้าวของเงินทองของเรานี่ส่วนหนึ่งแล้วประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้รับอีกส่วนหนึ่ง ที่เขาพูดนี้เขาหมายถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปถวายทานถวายทานกับพระอรหันต์นี่ก็เหมือนกับถวายกับครูที่จบปริญญาตรีสมมตินีส่วนถวายทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนถวายให้กับครูที่จบปริญญาเอก ครูจบปริญญาเอกนี่มีความรู้ความสามารถมากกว่าครูที่จบปริญญาตรีเวลาที่เราไปเรียนจากครูที่จบปริญญาเอกเราจะได้ความรู้ได้มากกว่าได้ง่ายกว่าเพราะครูที่มีความรู้มากจะรู้จักวิธีสอนที่ง่ายกว่าครูที่มีความรู้น้อยนี่คือความหมายคือธรรมะที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นี่ต่างกัน บางทีป้าหลานอาจจะต้องสอนเราหลายๆลหนพูดหลายหลาครั้งเพราะท่านไม่รู้จักวิธีที่พูดให้มันตรงใจเราท่านก็เลยต้องพูดหลายหลายหลายหาครั้งหลายๆแบบกว่าเราจะเข้าใจกว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมแต่กับพระพุทธเจ้านี่ท่านรู้ว่าใจของเรากําลังถูกอะไรปิดกั้นอยู่ท่านก็สอนตรงนั้นเอาสิ่งที่ปิดกั้นใจของเราออกแป๊บเดียวก็ได้บรรลุธรรมทันที อย่างองคุลิมาเนี่ยนะถูกความโลภความอยากบรรลุอยากจะเป็นผู้วิเศษถูกอาจารย์บอกว่าต้องไปฆ่าคน9 99, 9้9ร0 0หนึ่งพคนพอฆ่าได้มา999คนเจอพระพุทธเจ้าคนที่หนึ่งพันก็พยายามจะไล่ฆ่าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้อิทธิฤทธิปฏิหารทำให้องคุลิมาวิ่งไล่ไม่ทัน จนวิ่งไล่จนเหนื่อยก็เลยตะโกนบอกท่านหยุดเถิดเราไล่ท่านมาท่านยังไล่ไม่ทันททีพระพุทธเจ้าก็ตอบกล่าว่าเราหยุดแล้ว เ, เธอต่างหากที่ยังไม่หยุด่นก็เลยงงว่าทําไมว่าอย่างนั้นเขาวิ่งไล่แทบเป็นแทบตายพระพุทธเจ้าบอกหยุดแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเราหยุดจากการทําบาปแล้วเราหยุดจากการโลภความโลภแล้ว พอองคุลิมาฟังก็เลยเข้าใจว่าตนเองนี่กำลังโลภ ก, กำลังทาบาปอยู่ถ้าอยากจะบรรลุ ก, ก็ต้องหยุดการทาทาบาปหยุดความโลภ ก, ก็เลยมาปฏิบัติเปลี่ยนวิธีใหม่มาหยุดความโลภมาฆ่ากิเลสความโลภหยุดการทาบาปก็ได้บรรลุเป็นพาระอรหันต์ขึ้นมาถ้าคนอื่นสอนก็อาจจะไม่รู้จักวิธีที่สอนที่จะไป แก้จุดที่เขากำลังติดอยู่ได้นี่คือลักษณะของความสามารถในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์นี่ต่างกันมากพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนปรมาจารย์พ ร, ราหนนี่เป็นเหมือนอาจารย์ทั่วๆไปแต่เรื่องของการบริสุทธิ์การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระอาหารหันต์ก็หลุดพ้น แต่ความสามารถในการสั่งสอนธรรมะนี้มีมากน้อยต่างกันอย่างนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าอยากจะได้ธรรมะจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยก็ไปหาพระที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็พระอาหารหันต์รองลงมาก็คือพระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบัน ทันมีความรู้ต่างระดับกันเหมือนกับนักนักศึกษาที่จบปริญญาตีโทเอกมีความรู้ความสามารถต่างกันนี่คือความหมายว่าทำบุญแล้วได้มากน้อยต่างกันคือได้ธรรมะต่างกันแต่ถ้าเราทำบุญโดยที่เราไม่ได้ไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมทำกับพระพุทธเจ้าทำกับพระอรหันต์ทำกับพระธรรมดาพระปุถุชนก็ได้บุญเท่ากัน บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองของเราอันนี้ไม่ว่าทํากับใครเท่ากันเนื่องการทําบุญแล้วเราได้สองสองบุญด้วยกันบุญแรกคือบุญที่เกิดจากการเสียสละบุญที่สองก็คือธรรมะที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยคําถามจากคุณชูชูค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ ดิฉันได้ฟังธรรมะจากอาจารย์สรุปว่านักปฏิบัติธรรมมีสองกลุ่มคือกลุ่มมืออาชีพแบบสุปฏิปันโนและกลุ่มสมัครเล่นกลุ่มนี้ย่อมมีมากเพราะสังคมประเทศชาติต้องการบุคลากรหลากหลายอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศดังนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำธรรมะให้เข้าถึงกลุ่มนี้ได้เจ้าคะก็อย่างที่เราเผยแพร่กันทุกวันนี้ แล้วก็มีสื่อต่างๆมีหนังสือแจกมีซีดีแจกมีสื่อทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็มีการถ่ายทอดสดกันทาง Facebook YouTube ทาง l ลน์ทางอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ยังไม่เข้ายังเข้าไม่ถึงธรรมะได้มีโอกาสได้เข้าถึงพอเขา้าเข้าถึงแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของเขาความศรัทธาของเขา ถ้าเ็ามีความสามารถมีความศรัทธาเขาก็อาจจะสามารถปฏิบัติแล้วเปลี่ยนอาชีพมาเป็นมืออาชีพได้เพราะรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถ้าลองได้ปฏิบัติแล้วได้สัมผสัสกับรถแห่งธรรมแม้เพียงหยดเดียวเหมือนรสของแกงที่แตะลิ้นเราเนี่ยพอให้มีแกงรสของแกงเพียงหยดเดียวแต่ที่ลิ้นเราเราก็จะรู้ว่าแกงนี้อร่อยหรือไม่อร่อย พอรู้ว่าอร่อยนี่นก็อยากจะไปซื้อทั้งหม้อล่ะเข้าใจไหมงั้นพอได้ลองศึกษาได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วได้ลองปฏิบัติอาจจะมีบุญเก่ามาทําให้มีมีสติมาดีอยู่แล้วพอนั่งสมาธิจิตก็รวมได้าภายในห้านาทีสิบนาทีพวกนี้แหละเป็นพวกที่จะสามารถที่จะออกมาปฏิบัติเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว พวกอื่นก็ จ, จะต้องอาศัยการทําบ่อยๆเพราะสติยังมีกําลังน้อยยังไม่สามารถทําจิตให้รวมได้แต่ถ้ามีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติฝึกสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเขาก็จะได้ออกมาเป็นมืออาชีพต่อไปได้พระอาจารย์คะแสดงว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รถแห่งธรรมเนี่ย ยังไม่ควรออกมาเป็นมืออาชีพหรือเปล่าไม่ใช่ควรหรอกมันไม่ออกสิาใจไม่เหมือนกับทำงานแล้วไม่รู้ได้เงินเดือนเท่าไหร่มันก็ไม่อยากจะไปทำแต่พอรู้ว่าเงินเดือนทำจากบริษัทนี้ได้เท่าไหร่เป็นที่พอใจของเราเราก็จะไปทำตอนต้นก็บอกให้ไปทำก่อนแต่เงินเดือนยังไม่รู้จะให้เท่าไหร่ทำไปทำไปเงินเดือนยังไม่ออกสักทีมันก็ท้อแท้เบื่อหน่ายเดี๋ยวมันก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง พอไปบ้างไม่ไปบ้างเขายิ่งไม่จ่ายเงินเดือนให้เห็นบางทีก็อาจจะลองใจเราดูก่อนว่าเราจะมีความจริงใจต่อการทำงานกับเขาหรือเปล่าตอนก็เลยยังไม่ออกเงินเดือนให้ก็อยากจะดูว่าเราทุ่มเทให้กับบริษัทหรือเปล่าพอเ้าเห็นว่าเราทุ่มเทแล้วมีผลงานดีก็าอาจจะให้เงินเดือนแบบที่เราพึงพอใจก็ไดนะ้พอเราพึงพอใจที่นี่เราก็ไม่ไปทำที่อื่นทาที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ควรหรือไม่ควรอยู่ที่ว่าได้หรือไม่ได้ปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วไม่ได้ผลถ้าได้ผลแล้วมันจะมีความ <c oughs> ยินดีมีฉันทเวิรียะมีอิทธิบาทสี่ขึ้นมามีพลังที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นถ้ายังไม่ได้รับผลมันก็บางมันก็แล้วแต่อารมณ์บางวันก็มีอารมณ์ก็ปฏิบัติบางวันวไม่มีอารมณ์ก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยต่างกันตรงนี้ คำถามจากคุณนางค่ะกลาบนมัสการถามบ้านอยู่กรุงเทพอยากใส่บาตรพระอาจารย์แต่ไม่มีโอกาสดูพระอาจารย์พร้อมคณะออกบินทบาททางไรฟแแล้วน้อมยินดีและอุ่นอนุโมทนากับผู้อื่นแบบนี้มีโอกาสจะได้บุญไหมเจ้าคะได้บุญคนละอย่างไงได้บุญจากการที่เราชื่นชมยินดีกับการทําบุญของผู้อื่นแต่สู้บุญที่เกิดจากการทําเองไม่ได้ ถ้อยากจะร่วมทำบุญก็หากระปุกมาสักใบเวลาเห็นเขาใส่บาทเราก็เอาเงินใส่กระปุกไว้แล้วพอเรามีโอกาสไปวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปทำบุญได้เลยคำถามที่สองค่ะขอความกระจ่างของคำว่าวิญญาณในขันห้าว่าคืออะไรเกิดดับอย่างไรเจ้าคะอ๋อวิญญาณในขันห้าเป็นส่วนส่วนของจิต ท, ที่ทำหน้าที่ รับรูปเสียงกินรสมาจากตาหูจมูกลิ้นกายคือร่างกายกับใจนี้อยู่คนละที่กันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือกับคนใช้นี่อยู่คนละที่กันแต่มีการเชื่อมต่อกันมือถือนี่ก็จะรับเสียงด้วยเสียงของคนใช้ด้วยไมโครโฟนอย่างนี้เป็นเป็นการเชื่อมกัน จิตกับร่างกายก็เชื่อมเชื่อมกันด้วยวิญญาณในขันห้านี่วิญญาณในขันห้าก็จะเชื่อมจิตไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่มาสัมผัสกับร่างกายวิญญาณมีหน้าที่เพียงเท่านี้พอมีรูปมาสัมผัสกับตาวิญญาณก็เกิดขึ้นมาวิญญาณรับรู้รูปก็เกิดขึ้นมาพอมีเสียงมากระทบกับหูวิญญาณก็ปรากฏ ทางหูขึ้นมาทางเสียงขึ้นมาพอไม่มีเสียงมากระทบวิญญาณนั้นก็หยุดหยุดชั่วคราวพอไม่มีรูปเช่นหลับตานอนหลับมองไม่เห็นภาพก็ไม่มีรูปก็ามาวิญญาณทางตาก็หยุดไปชั่วคราววิญญาณก็เลยเกิดดับเกิดดั บ, ดบไปตามสัมผัสของรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกรินกายเป็นการเชื่อมน้ํามสามตอนด้วย รูปเสียงกลิ่นรสมาเชื่อมที่ตาหูจมูกเลื่นกายตาหูจมูกเลื่อน ก, กายก็เชื่อมไปที่ใจด้วยวิญญาณทางขันห้าคำถามจากจินขอบค่ะบุญใดได้ชื่อว่าเป็นบุญกรถินบริจาคโลหิตเป็นบุญกรถินด้วยได้ไหมครับคือคาว่ากระถินนี่แปลว่าผ้าอะไรอย่างเงี้ยการถวายกรถินนี่คือการถวายผ้า ทำไมต้องมีการถวายผ้าเพราะว่าเดิมทีตอนที่เริ่มเริ่มมีพระพุทธศาสนาใหม่ๆชาวบ้านเขาไม่มีประเพณีถวายผ้าให้กับพระเขาถวายแต่อาหารบิณฑบาตพระนี่เขาไปหาผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าบางสุกุลผ้าหอ่อศพไปเก็บผ้าที่ห่อศพนี้มาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวร ชาวบ้านเขาเลยคิดว่าเป็นธรรมเนียมของพระที่จะใช้ผ้าบางสกุลก็เลยไม่มีการถวายผ้าต่อมามีคนศรัทธาบวชในศาสนามากขึ้นมากขึ้นผ้าในป่าช้าไม่พอพระมีผ้าไม่พอใช้มีไม่มีผ้าเปลี่ยนบางทีไปเจอฝนก็ต้องเปียกต้องห่มผ้าเปียกๆไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นพระต้องห่มผ้าเปียกมากราบก็เลยสงสาร ก็เลยต้องบอกสอนญาติโยมว่าต่อไปนญาติโยมต้องถวายผ้าให้กับพระนะเพราะเป็นของที่ขาดแคลนมากมีประโยชน์มากมีกุศลมากมีอ น, นิสงฆ์มากมีคำว่าอ น, นิสงฆ์คือประโยชน์ไม่ใช่บุญมากบุญเหมือนกันบุญถวายบุญที่ให้บิณฑบาตบุญที่ถวายผ้านี่เหมือนกันได้บุญเท่ากันถ้าปริมาณคุณค่าของมันเท่ากันมันก็ได้เท่ากัน แต่ที่มีประโยชน์มากเพราะว่าผ้าขาดแคลนผ้าไม่มีผ้าแต่อาหารไม่ขาดแคลนอาหารเหลือเฟือ่อบินตบาททุกวันนั้นถ้าอยากจะสงเคราะห์พระให้พระได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายในเรื่องผ้าก็ให้ถวายผ้ากรถินที่มาของผ้ากรถินพระพุทธเจ้าก็ส่งสั่งให้ถวายผ้ากรถินแต่ไม่ให้มากเกินไปให้อนุญาตถวายได้ปีละหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน เ น, นั้นเองเพราะผ้าเผอหนึ่งนี่ก็สามารถใช้ได้ทั้งปีถ้าเอามาใช้ห um ุ้มห่ออย่างี้กันไม่อยากให้มีมากก็เลยให้ถวายกระถินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งช่วงหลังออกจากพรรษาคือวันแรม1หนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดจนถึงวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนสิบสองวันลอยกระทงอันนี้เป็นเขตของการถวายผ้ากระถินนี่คือที่มาของคำว่ากระถินคำว่าบุญมากความจริงไม่ใช่บุญมากอา น, นิสงส์มาก ประโยชน์มากเพราะสมัยนั้นขาดแคลนผ้ามากแต่สมัยนี้ไม่ไม่ขาดแคลนแล้วมีผ้าผ้าป่าผ้ า, ผ า, ผาอะไรถวายกันเป็นประจำทุกวันมีมากจนกว่าที่จะใช้ได้ก็เรียนให้ทราบท่านนั้นว่าอย่าไปติดกับคำว่ากระถินว่าเป็นบุญมากบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ว่าเราจ่ายมากจ่ายน้อยอไม่เชื่อลองดูที่ใจเราเป็นหลัก ใจน้อยกระายมากนี้มันรู้สึกอย่างไรกิเลสตายมากตายน้อยเนี่การจ่ายมากนี้กิเลสตายมากนั้นกิเลสคือความหวงตัวหวงตัวตนีตัวโลภในเงินทองนี้จะถูกการทําบุญมากๆทําลายเมื่อกิเลสถูกทําลายความสุขใจอิ่มใจก็เพิ่มมากขึ้นความสุขใจอิ่มใจคือบุญฉะนั้นไม่ต้องรอกระถินเพราะกระถินปีนึ่งมีครั้งหนึ่ง อยากจะได้บุญมากๆก็ขอให้ทำมากมากไปก็แล้วกันเราจะได้บุญมากทันทีแต่นี่อย่ามาคิดว่าเราหลอกให้มาทำบุญเพื่อจะได้บุญเยอะน้นี่พูดตามความเป็นจริงแต่ยมจะทำไม่ทำนี้ไม่ไม่ห้ามไม่ไม่ว่ากันที่นี่ไม่เรียลายไม่มีไม่มีขายบุญอะไรเท่านั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นความจริงของบุญคนบางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าหลวงพ่อนี่ชวนให้ทาบุญเยอะๆให้ใช้เงินเยอะๆอันนี้ไม่ใช่ ถ้าโยมเสียดายเงินไม่อยากจะทำบุญก็ไม่ว่าไม่ใช้เลยก็ได้อยากจะไปนั่งสมาธิภาวนาได้บุญมากกว่าเสียด้วยซ้ำไปก็ทำได้บุญที่ได้จากทาบุญทำทานนี้น้อยกว่าบุญที่ได้จากการรักษาศีบุญที่ได้จากการรักษาสีนี้น้อยกว่าบุญที่ไดจากการไปภาวนานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนา แล้เลือกเลือกเลือกใช้เลือกซื้อบุญชนิดต่างๆได้บุญที่ต้องใช้เงินก็มีบุญที่ไม่ต้องใช้เงินก็มีสามารถเลือกทำได้ตามอธัธยาศัยแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่กําลังของเราด้วยบุญแต่ละอย่างบุญมากมันก็มันก็ยากกว่าบุญน้อยบุญน้อยนี่มันง่ายกว่าการทำบุญทำทานนี่ง่ายฝากกระเป๋าเอาเงินใส่บาทแล้วเอาเงินซื้ออาหารใส่บาทก็ได้บุญทันที แต่บุญที่ได้จากการรักษาศีลมันยากกว่าเวลาจะพูดโกหกก็พูดไม่ได้เวลาจะโกงก็โกงไม่ได้มันยากกว่ากันแล้วยิ่งบุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้มันยิ่งยากใหญ่แต่ถ้าเราทำได้ก็ทำไปเลยอนุทนาไปบวชได้เลยไม่ต้องไปรักษาศีลไปบวชได้เลยถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะได้บุญมากมากกว่าบุญที่ทาจากการทาบุญทาทาน อต่อไปคําถามข้อสองค่ะอัปปนาสมาธิเพ่งอะไรครับถ้าเราเพ่งรู้อยู่รู้กับเราคนละอันกันแล้วจ่ออย่างไรต่อครับอ๋อเราต้องเพ่งที่ลมหายใจหรือพุโทโธเพื่อให้จิตสงบหยุดคิดปรุงแต่งพอจิตสงบหยุดคิดปรุงแต่งก็จะเป็นอัปปนาสมาธิจิตจะสักแต่ว่ารู้ รู้อยู่กับความว่างไม่มีอะไรให้รู้อันนั้นถึงเรียกว่าอัปปนาสมาธิอยู่ดีๆเราจะไปเข้าไปอัปปนาสมาธิโดยที่เราไม่เพ่งดูอะไรไม่ได้เราต้องเพ่งดูอะไรสักอย่างลมหายใจหรือพุทโธเพื่อให้หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วจิตก็จะเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาคําถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ กระผมภาวนาพุทโธตามลมหายใจเข้าออกบางครั้งก็ภาวนาได้ดีบางครั้งก็รู้สึกแน่นติดขัดที่ปลายจมูกเลยเปลี่ยนมาเป็นภาวนาพุทโธเฉยๆไม่ยึดติดกับลมหายใจก็ภาวนาได้ดีครับแต่พอภาวนาไปนานจะรู้สึกเหนื่อยก็เลยปล่อยคำบริกรรมไปรู้อยู่กับความรู้เฉยๆพอมีความคิดขึ้นมาก็ภาวนาพุทโธ ท, ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆถูกไหมครับ ก็ต้องทำจนกว่าจิตมันจะสงบมันจะรวมคําำถามจากคุณพัฒนาค่ะว่ายพระก่อนนอนสวดมนต์อยู่ที่นอนได้ไหมคะได้บุญกุศลไหมหรือเปล่าคะออสถานที่ไม่ไม่มีส่วนกับผลที่จะได้รับที่ไหนก็ปฏิบัติได้<ม>ต่างกันตรงที่ว่ามันมีอะไรมาลบกวนหรือไม่ลบกวนที่ที่ไม่มีลบกวนมันก็สงบง่ายกว่าที่มีอะไรมารบกวน แต่ที่นอนนี่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันอาจจะทำให้อยากนอนพอนั่งไปสักพักแล้วอาจจะเลิกนั่งแล้วก็นอนต่อเพราะมันง่ายยังถ้าเราเป็นคนที่อชอบนอนเราก็อาจจะต้องไปนั่งที่ไกลๆจากที่นอนหน่อยจะได้นั่งได้นานหน่อยคำถามจากคุณวันนิพาค่ะหากในชาตินี้โยมประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฝ่ายดีไปจนล่วง ไปจนถึงดวงตาเห็นธรรมแล้วกรรมฝ่ายชั่วในอดีตที่โยมได้กระทําไว้จะมีผลตามทันเป็นเศษหรือไม่เจ้าคะกรรมที่เป็นบาปนี้จะไม่มีผลถ้าเราบรรลุปเป็นพระโสดาบันนะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยะบุคคลขั้นแรกเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายในจํานวนภพชาติที่เรายังอาจจะต้องไปเกิดไม่เกินเจดชาติแต่กรรมที่เกิดจากบุคคล เจ้ากรรมนายเวรนี้เขายังถ้ายังมาเกิดอยู่ก็อาจจะยังต้องใช้กรรมกันต่อไปแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้กรรมกับพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของพระพุทธเจ้าเคยจองเวรจองกรรมกันมาถึงแม้ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ยังต้องมีโอกาสที่จะถูกเจ้ากรรมนายเวรมาจองเวรจองกรรมได้แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้า บรินิพ่านไปแล้วไม่มีร่างกายไปแล้วตอนนั้นไม่มีใครไปตามจองเวรจองกรรมกับพุทธเจ้าได้อีกต่อไปคําถามจากคุณแอ้ค่ะมารดาของสามีเสียชีวิตมาปีกว่าแล้วแต่ยังสัมผัสได้ว่าดวงจิตยังคงวนเวียนอยู่กับลูกชายและครอบครัวเหมือนยังคอยปกป้องดูแลแบบนี้เรียกว่าจิตสุดท้ายยังคงมีห่วงกับสิ่งอันเป็นที่รักใช่ไหมเจ้าคะ และจะส่งผลให้ดวงวิ ญ, ญญาณไม่ได้เดินทางไปสู่ภพภูมิต่อไปหรือไม่เจ้าคะซึ่งครอบครัวหมั่นทําทานอุทิศบุญให้มารดาของสามีเสมอคะ่ะมันก็เป็นเพียงแต่ความรู้สึกของเราซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปอะไรมากกับความรู้สึกของเราเพราะบางทีความรู้สึกของเราเองมันหลอกเราได้ถ้าเราไม่มียานอย่างทราบเห็นดวงวิ ญ, ญญาณจริงๆแบบพระพุทธเจ้านี้ก็ อย่าไปให้ความสาคัญกับมันให้รับรู้ไว้เฉยๆว่าเป็นความรู้สึกของเราก็แล้วกันแล้วถ้าอยากจะอุทิศบุญก็อุทิศได้แต่ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องดวงวิญญาณของเขาว่าเขายังมีความหงอ ย, ยเขายังไม่ไปเกิดอะไรหรือไม่อันนี้ถ้าเราไม่เห็นจริงๆเราอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาดีกว่าเหมือนคนตาบอดแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ย คิดไปก็ไม่รู้จะตรงกับความจริงหรือไม่คำถามจากคุณพารุษดีค่ะผมมีปัญหาเรียนถามว่าการทำหมันสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้บาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ฆ่าเขาคําถามจากคุณนางค่ะคําว่าเพียนเพ่งเผากิเลสทําอย่างไรระหว่างการปิดทวารรับรู้กับการให้ทานอันไหนเผากิเลสได้ดีกว่ากันเจ้าคะ มันก็เผากันคนละอย่างการให้ทานก็เผาความอยากที่จะเอาเงินไปเที่ยวเนี่ยพอเราเอาเงินไปเที่ยวมาทําบุญทําทานเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ต่อไปความอยากเที่ยวก็หมดไปอันนี้ก็ความอยากก็เป็นนี่ก็เป็นการเผาพันกิเลสความอยากไปเที่ยวด้วยการทําบุญทําทานส่วนการปิดทวารทั้งห้าก็เป็นการระ ง, งับไม่ให้ กิเลสตัณหามันออกมาเพ่นพ่านทางตาหูจมูกเล่นกายนั่นเองพอไม่มีรูปให้ดูความอยากดูรูปนั้นก็มันก็ไม่เกิดชึ้นมาพอไม่ได้มีเสียงให้ดูความอยากจะได้ยินเสียงนั้นฟังเสียงนั้นก็ไม่มีเออันนี้ก็เป็นการกั้นเป็นการปิดกั้นไม่ให้กิเลสทางตาหูจมูกเล่นกายโผล่ขึ้นมาคําถามจากคุณมัญชรีค่ะ จากที่เคยถามว่าการทำหมันสุนัขแมวจรจัดไม่เป็นบาปแต่เป็นกรรมไหมคะผลกรรมนี้จะส่งผลให้เราในภายหลังไหมคะมันก็เป็นกรรมที่จะเรียกว่าเป็นกรรมกลางๆก็ได้มัไม่ดีไม่เชื่อก็คงจะไม่มีผลอะไรคำ ถ, ถามจากคุณนัชลินค่ะการเดินทางด้านปัญญานี้ต้องภาวนาถึงขั้นไหน จึงสามารถเดินทางด้านปัญญาได้คะหรือจะเป็นไปโดยอัตโนมัติคะก็ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้อย่างสมบูรณ์พูดอย่างนั้นดีกว่าถ้ายังไม่มีสมาธิก็ไปแบบลม้มลูกคุกคานบางเวลาก็พิจารณาเป็นปัญญาได้บางเวลาก็พิจารณาไม่เป็นปัญญาเพราะว่าจิตที่ยังไม่มีสมาธินี้ยังมีกิเลสคอยมาลบกวนใจอยู่ แต่ที่จะพิจารณาตายลักก็จะชวนให้พิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวบางาลงภาพยนตร์บ้างลงละครบ้างมันก็เลยไม่สามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วนี่จิตจะกิเลสจะถูกระงับไว้เน้นเราไม่มีอะไรจะมารบกวนมาดึงใจให้ไปคิดในทางทางทางกิเลส เราก็สามารถพิจารณาทางธรรมได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถทําให้เกิดเป็นมากเป็นผลขึ้นมาได้คําถามจากคุณโปรติโน่ค่ะในขณะที่เรามีอาการปวดเมื่อยการท่องพุโทโธคือคล้ายๆหลักการเบี่ยงเบนความสนใจให้จิตใจไม่จดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดนั้นใช่ไหมครับเพราะมันทําให้ความเจ็บปวดตามร่างกายลดลงใช่เพราะถ้าเราไปคิดถึงความเจ็บปวดมันก็จะเกิดความอยาก อยากให้มันหายเจ็บมันก็เลยสร้างความเจ็บปวดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่ใจความเจ็บปวดที่ร่างกายก็เท่าเดิมนแต่จิตความจิตความเจ็บปวดของจิตใจมันเพิ่มขึ้นมามันก็ทำให้รู้สึกว่าความเจ็บปวดที่ร่างกายมากขึ้นแต่ความจิตมันมากขึ้นที่ใจด้วยความอยากให้ความเจ็บปวดของทางร่างกายหายไปพอเราพุทโธพุทโธ pacing, ไม่ไปคิดถึงความเจ็บปวดความอยากที่จะให้เกิด ให้ความเจ็บปวดทางร่างกายหายไปมันก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ใจเลยไม่มีก็เลยทำให้รู้สึกว่าความเจ็บปวดทางร่างกายนี้ลดลงไปเยอะความเจ็บปวดทางร่างกายความจริงมันเพียงสิบเปอร์เซ็นตนแต่ความเจ็บปวดทางใจที่เกิดจากความอยากนี่มันเก้าสิบเปอร์เซนพอเราทำใจให้สงบไม่ไปคิดไม่มีความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายได้ก็เลยรู้สึกว่าความเจ็บทางร่างกายนี้ หายไปเกือบหมดนะจริงมันมีอยู่เท่านั้นอยู่เดิมอยู่แล้วแต่เราไปขยายมันด้วยความอยากของใจนี้คำถามจากคุณอูค่ะลูกเคยได้ยินว่าการทำนุบํารุงดูแลบิดามานดาเหมือนได้ทำบุญกับพระอรหันต์จริงไหมเจ้าคะสำหรับลูกได้ดูแลพ่อแม่แล้วมีความสุขเจ้าคะ่ะก็เพราะว่าพ่อแม่นี้มีพระคุณกับเรามากกว่าบุคคลต่าง มีพระคุณพอๆพอกับป้าอรหันต์เพียงแต่ว่าพระคุณของพ้าของเรากับของของพ่อแม่กับป้าอรหันต์ต่างกันตรงที่ป้าอรหันต์มีพระคุณต่อจิตใจของพวกเราแต่พ่อแม่นี้มีพระคุณต่อร่างกายของพวกเราซึ่งเป็นส่วนสําคัญทั้งสองส่วนของชีวิตเราจิตใจก็สําคัญร่างกายก็สําคัญดังนั้นพระพุทธเจ้าป้าพ่อแม่จึงถือว่าเป็นเหมือนพระป้าอรหันต์ของลูกๆ คำถามจากคุณแจ็คค่ะเวลาทำบุญควรอธิษฐานว่าอย่างไรแล้วอยากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรควรทำอย่างไรเจ้าคะถึงจะได้บุญถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าคะ่ะการทำบุญไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ขอให้ทำอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันการถ้าอธิษฐานเพื่อขอผลนี่ไม่ไมจำเป็นจะต้องอธิษฐานแคว่าทาบุญแล้วขอให้ได้นั้นได้นี่ มันก็อยู่ที่ว่าบุญที่เราทําจะให้อะไรกับเราบุญที่เราทําก็จะให้กับสิ่งที่บุญให้กับเราได้เท่านั้นถ้าจะไปข อ, อนอกเหนือจากนั้นก็จะไม่ได้เฉะั้นการทําบุญนี้ด้วยการกระทําอะไรนี้ถ้าเราจะอธิษฐานคำคำจริงคําว่าอธิษฐานนี้ไม่ใช่เป็นคำคำ ว, ว่าขอคําว่าตั้งใจตั้งเป้าตั้งเป้าที่เหตุตั้งเป้าที่การกระ ท, ทําเช่ น, นทุกครั้งที่เราใส่บาตรก็ ตั้งใจตั้งเปาว่าขอให้ได้ใส่บาตรทุกวันอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้ผลที่จะได้จากการทําบุญใส่บาตรมันก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆตราบใดมีการทําบุญใส่บาตรอยู่เรื่อยๆเห็นขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานที่เหตุคือการกระทําไม่ต้องไปตั้งที่ผลเพราะผลมันจะเกิดขึ้นจากเหตุนั่นเองคําถามจากคุณจิตส่งออกนอกเป็นกิเลสจิตส่งเข้าในเป็นมรรคค่ะ ในโลกทิพนี้ถ้าเราเข้าไปสัมผัสกับดวงวิญญาณดวงวิญญาณแต่ละดวงจะปรากฏเป็นรูปร่างแบบใดครับก็แล้วแต่เราจะแล้วแต่เขาจะในระเมสตขึ้นมามันเป็นภาพในฝันเป็นมันอยู่ในมโนภาพเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ผู้ที่เข้ามาดวงวิญญาณเข้ามาสัมผัสกับเราเข้ามาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เขาคำถามจากคุณนางคะ่ะ การนั่งสมาธิโดยไม่ภาวนาหรือไม่ตามลมจะเกิดประโยชน์อะไรไหมเจ้าคะเกิดถ้านั่งโดยที่ไม่มีการดูเฝ้าดูลมหรือพุทโธมันก็เหมือนกับไม่มีการเฝ้าวควบคุมใจนั่นเองพอม่ใจไม่มีการควบคุมเดี๋ยวใจก็อาจจะผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการก็ได้ผลิตภาพที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวหรืออารมณ์ที่ไม่ดี แล้วจะทําให้เราไม่กล้านั่งต่อไปก็ได้หรือผลิตอะไรแล้วทําให้เราหลงคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ไปก็ได้เนี่ยคนที่นั่งแบบนี้มมักจะอาจจะเสียสติได้เพราะฉะนั้นเวลานั่งเราต้องคอยมีอะไรกํากับควบคุมใจไม่ให้ผลิตอะไรขึ้นมาการนั่งนี้เราต้องการหยุดใจไม่ให้ยะใจทํางานไม่ให้ใจผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ใจสงบ เพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกําจัดกิเลสตัณหาที่จะต้องทําควบคู่กับการเจริญปัญญาต่อไปฉัง น, น, นั้นการนั่งสมาธิจึงต้องนั่งแบบมีสติมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือมีสติรู้อยู่กับคําบริกรมพุทโธพุทโธแล้วจิตก็จะไม่สามารถผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่าง ง่ายได้แล้วพอจิตสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเราก็สามารถเอาความสุขที่ได้นี้มาทำลายความอยากต่างๆได้ต่อไปคำถามจากคุณลิตาค่ะถ้าเราต้องช่วยครอบครัวทำกิจการงานในเวลาที่เขาขาดคนแต่เวลาที่มีคอร์สเราเลือกไปปฏิบัติก่อนเป็น first priority ถือว่าเราละเลยความช่วยเหลือที่ควรมีกับคนในครอบครัวหรือไม่ยามที่เขากําลังลําบากเราเลือกถูกแล้วใช่ไหมคะก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าอันไหนสัมพันธ์กว่ากันถ้าถ้าอันไหนสําคัญกว่าก็ต้องไปทําอันนั้นก่อนถูกแล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราจะตั้งอะไรที่สําคัญกว่าจิตใจของเราหรื อ, อผู้อื่นถ้าเรา ตั้งว่าจิตใจเราสําคัญกว่าเราก็ต้องดูแลจิตใจเราก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งการดุจพ้นจากความทุกข์ของจิตใจสำคัญกว่าเรื่องอื่นท่านก็เลยต้องสละราชสมบัติแล้วก็ไปออกบวชเพื่อที่จะได้จัดการกับเรื่องของจิตใจที่มีปัญหาอยู่ให้มันหมดสิ้นไปก่อนพอจิตใจท่านปัญหาทางจิตใจหมดสิ้นไปแล้วทีนี้ท่านก็ไป ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างเต็มที่ น, นี่ก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกอลำดับจัดลำดับความสำคัญของอะไรมากน้อยต่างกันอย่างไรเราก็ต้องเป็นผู้ตัดสินใจคิดเอาเองแต่ถ้าคิดตามหลักที่พระเจ้าสทสอนแล้วพระเจ้าบอกว่าให้ทาประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นวาถ้าเรายังไม่พร้อม ประโยชน์ของเรายังไม่พร้อมเราจะไม่มีกําลังความสามารถที่จะไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่นั่นเองพระพุทธเจ้าตอนที่ออกบวชหกปีเลาไม่ได้ไปทำปรโยชน์ให้กับใครพอหลังจากได้ตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ก็ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียวเพราะประโยชน์ของพระองค์นั้นได้ทําเสร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทํำลายอีกต่อไปท่านก็เลยช่วยเหลือโลกได้อย่างมากมาย สร้างพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะการเลือกลำดับการความสำคัญของการกระทำว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันพระองค์ทรงเห็นสำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจของตนของพระองค์เองต้องเอาจิตใจของพระองค์เองพระองค์เองให้พ้นทุกข์ก่อนพอจิตใจของพระองค์งพ้นทุกข์แล้วก็สามารถไปสอนคนอื่นให้พ้นทุกข์ต่อไปได้คาถามจากคุณวันนิพาค่ะ การปร า, มาตมพระพิสุขที่ประพฤติตัวนอกรีดไม่ถูกต้องในศีลธรรมเป็นบาปไหมคะคือเราไม่ควรที่จะไปปราโมทใครเรื่องของใครก็เรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราเพียงแต่เรารับรู้ไว้กะพอว่ารู้ว่าบุคคลนี้เป็นอย่างนี้ไม่สมควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยก็ไม่ต้องคบค้าสมาคมไม่ต้องไปปราโมทาไม่ต้องไปด่าไปว่าเขาไม่เกิดประโยชน์ ให้เราว่าตัวเราเองดีกว่าปามาตัวเราเองดีกว่าว่าเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่หรือเปล่ามีเรารีบมาฆ่ามันดีกว่าอย่าไปปามาตคนอื่นเสียเวลาไปป่าๆไม่เกิดประโยชน์ไดหมดแล้วยังนี่คถามค่ ะ, ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะหนูทำงานเพื่อใช้หนี้แต่ไรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นหนูจะทำงานอย่างไรให้ได้เงินเดือนคะ ามาถามตอนสมัมก็คุยกับบริษัทที่เราทำงานสิตายแล้วไอเราเป็นในทุกอย่างเลยเหมดแล้วยังหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด